นี่มาสมัยใหม่เล็กน้อยว่าได้การอบรมคืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นมันจะเรียบว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทศกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าเว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติแ้วผิดกันเล็กคือเดียว ฟังเทศในฟังได้ทัว่วๆไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้การเทศทเทศสติปว่าผู้แสดงการแสดงการบอกการที่แจง้งทางเรียกว่าเทศฟังธรรมค่ะนิฟังสิ่งที่เป็นธรรม หรือฟังแล้วจะทำตามพูดกันง่ายง่ายหรือฟังแล้วทำถ้าพร้อมๆกันเดี๋ยวจะฟังทำให้เข้าใจกันง่ายคือฟังแล้วทําถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนนั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงสอแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศอยู่ทุกเมื่อทุกเวลา ผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วต่อแสดงให้เห็นตลอดเวลาคือเห็นธรรมะตลอดเวลานั้นเป็นจิ้งเรียวฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุ น, นั้นทังว่าที่หัวไกลกันในที่นี้นั้นไมากก้ควรทู้ที่ฟั่งเทศไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรมรมก็สักแต่ว่าฟังฟังไป ฟังก็เลยส่งออกไปต่า ง, างการฟังเลยไม่ได้ทำต่างหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั่นคือสอ่อมาแสดงออกภายในที่แดงบอกเขามาภายในทำขั้นสองพระเดจเจ้าก็มีบทอยู่แล้วมีบท บอกชาติอยู่แล้ว่ะเอหิปัิโกเอหิปัสิโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเอหิเอหิอ่อนล้ายๆกับว่านี่นี่สิ่ง น, นี้นี้อยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่านั้นแปว่าเอหิเอหิๆๆเห็นเฉพาะเฉพาะในที่ง น, น, นั้นในการที่ฟังเทศ หรือฟังธรรมมีข้ออความดิสแปรกันดูโดยอธิบายมายนี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่จะแดงออกไปข้างนอกเพื่อจะแสดงให้เขอามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนใน่งที่เขามาภายในตัวของเราทั้งนั้น จะมายังชอบใจคำโบราณอยู่วคำหนึ่งจึงท่านุ็มาเพื่อมายเปียกไว้ท่านแสดงว่าพระไกรปิดกทั้งสามตำปีท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายลัดพระประมาติเป็นผืนหนัง จะดูสัะทันดังนริยศา์จะทำทั้งสี่เป็นไมค้ อ, คอนกลองมันจะต้องมีสายรัดและก็มีผืนหนังผอมหนากลองแล้วก็จะต้องมีค้อนและหลัดกีกลงองกลองซึ่งค่อยจะดังท่านดูพรมาเสียบพระทำคำสองเสด็จเกา ถ้าสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวคสูตรทีเดียวคําที่ว่าสูตรในที่นี้น่ะเป็นเรื่องเป็นเหลาแสดงเป็นเรื่อ ง, งเป็นเหล่าเป็นศาสารสูตรถึงเรื่องคนเราแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาว แนวะเรียกพระสูตรในพระสูตรคือตัวตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพวินัยเป็นหนังรัดคือว่าลิทไนเดกิสินตามภูมิของตนอุบาสกอามชอาชินอบาสิกามีชิน5้ชิน8ปดสามเนินชินสิบพิจน์ชิน 10, สอง หลักลั่นกันเดิ น, นตามช้านกาภูข้าห่าว่าไม่มีหนังนี้ไม่มีปวีนในขึ้นหนังเป็นเครื่องรัดทราบเสียแล้วคนเราจะจะจัดกระจ่ายคือไม่มีขอบเขศษตะพืชตนไม่มีขอบเศษไม่มีศูนย์เป็นเครื่องร้อยรัดอรแล้วปฏิจจบั ต, ติไม่มีขอบเศษ เ, เ, เลย <c oughs> คนเราออทั้งเคยอธิบายแล้วะ่ะจะดีได้ <c oughs> ก็เพราะพวินหนหือศิน <c oughs> เป็นเครื่องวัดไม่มีศีลไม่ไม่มีพอินไนจังเครื่องวัดเียเลยคนเราก็จะไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรหรือถ้าจะเทียบเปรียบมรรสัดทั่วๆไปจนแล้วก็จะมองเห็นได้ บรรดาสัตว์ทั่วไปเขาไม่ได้รักษากายวัตจากรคือมันมีศีลเด็นเครื่องอยู่ก็จะมีคุณค่าวิเศษไปได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไอ่ผิดอะไรกับสักดิ์หายแล้วนะแต่นี้คนเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดคือศีลนั่นนั่นร้อยรัดไวไม่ให้กระจัดกระจาย อยู่ในขอบเขตของสิ่งเป็นวดตเด้นจากการฆ่าสัตว์รักษรัพย์พืพิษนี่คำนองในเรื่องท่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากันนี้สูงต่ำเหลื่มล้ากันเพราะคุณงามคนดีอันนี้แท้แท้นี้จึงเอาขวินในเป็นสายหรล อันนี้มาเปลี่ยนมันเพราะพระปรมัตร์เป็นผืนหนังพระปรมัตร์คืออภิธรรมที่เราพากันเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมรวมรวบรวมจิตเจตสิกรูปที่ผ่านรวมลงนี้สี่จิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่พันแสดงทั้งเรื่องจิตทั้งเรื่องเจตสิกทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่อพัน ก็คือตัวของเราไม่ใช่ไม่ใช่สิ่อื่นลูกตัวนตัวของเราจิตะ่ิดตัวของเราเจตสิทธิ์ลูกตัวของเราตัวของเราเนี่ยที่เอาหนังสืออภิธรรมได้เกิดจิตเจตสลูกได้ผ่านเนี่ยมาห่มห่อตัวของเราไว้นังสือโบราณท่านพีโบราณท่านอธิบายยืดยาว พูดงเรื่องพระพิธรรมตกแต่งร่างกายแสดงถึงเรื่องอักขระสามสิบสองตัวอันี้ชนาแปกมาตกแต่งผมขนในกระดูกโอ้โหยืดยาวเอาพระพิธรรมมาตกแต่งตัวของเรคือถ้าแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมาจารย์ธรรมตัวของเราคือเป็นธรม ร, นธรมะถ้าอยากให้แสดงตรงนั้นเอง ยังให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปถือว่าพระพิธรรมมาแต่งเอาจริงๆย่างจาังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเอ็นล้วนเดี๋ยวพิธรรมนะนั่นมาแต่งอาัจฉยะศาสตาารต์ระาสาที่ลมหายใจเข้าออกเรียกับาพืชสูตรพวีนไนลมหายจับใจออกเดี๋ยวพวีนไนยให้ใจเข้าเดียวพืสูตร สี่นะนะเป็นพิธีใหญเป็นพิธีธใหญ่โตห่วมขว่า น, นั่นเรียกว่าปารมัดคือพื้นหนังอันนี้ยังกรองนะครับนี่ถ้ามีตัวกลองแล้วก็มีพื้นหนังคือหุ้มหน้ากลองแล้วก็มีสายรัดอั้นกลองนั่นแหละถึงจะดับกลองที่หุ้มหนังแล้วนั้น มีสายรัดแล้วน่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอีกถ้าปุตติค่อยท่าสิ่งที่จะมาตีมันจะค่อยจะดังถ้าไม่ตีก็ิ้งเหมือนั้นไม่ดังท่านจะอธิบายต่อไปว่าจะดูสัจจะทันดังอริยสัจธะทมเป็นไม่ค้อนตีกล้องกำวาน อริยสัจจะทำทั้งสี่จะทุกข์เมื่อถ่ายในโหลดมันตีตั้งไหตีตีกลองนันเองกระหมายความว่าสัจจะทำทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเราทุกข์มันดังคนทุกข์จนกระทั่งออกฝั่งบางคนร้อโฮเลยก็มีมันดังออกมาทุกข์ไปยีอีกควรเสียอกเสียใจน้อยอกน้ยใจ เศร้าสรดเสียใจจุด ก, การนั่ังออกปากร้องโหมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นคอนตีพุกอยู่ตรงนั้นคือคอนตีกลองเหมือนดังสัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามาก แต่คนไม่อยากได้สัจธรรมทุกคนแหละมนุษย์ัทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวสัจธรรมคือุกสุขนั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมสุกนั้นไม่ใช่สัจธรรม ทนไม่ได้ว่าสุขนี่โลภคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์ที่สุดสุขอยู่ตรงไหนสติธรรมนั่นเอไม่มีสุขนี่โลภคือความดับทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่มีรู้ดับทุกข์แล้วนะั่นไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูก มันอยู่ตรงนั้นคนเราจรึงว่าชอไม่ชอบสัจธรรมจรึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคนแห่งพิจนาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอาหมณ์จึงจะได้เห็นธรรมมากจึงจะได้เห็นค้องจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บเป็นทุกข์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 ทำอดีีป ร, ปราพวคนเกลียดทมคือคนชังทมเป็นคุณพ่ายแพ้ที่ยอมแพ้หนึ่งถ้าหากว่าเราพอใจในทุกข์ก็เรียกว่าคุณพ่ายแพ้อีกนะคกันแต่ในที่นี้ถ้ามาให้เกลียดทุกแต่ว่าไมา่ให้พอใจในทุก แต่ให้เอาทุกมาพิจารณาให้มารู้เท่าเทิงเดินทุกรู้เท่าเข้าใจเทิงเดอนทุกเรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกมาพิจารณาเราตีกลองดังเลยดังคือควรู้คือความเข้าใจคือครงเห็นจิตในสิ่ง น, นั้น ต้องกว้างออไว้อีกที่หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์คนไหนเราเกิดขึ้นมาในโลกเทา่านี้รู้ว่าน่จะเกิดมาในกองทุกข์ในกองนี้ทุกคนที่พากลางคนขวยสแสวงหาอาชีพทุกิ์อิสรแม้จะปฏิบัติถินธรรมคำสองของพระเดชจักก็เพื่อที่จะบาบัดทุกข์ คือว่าเพื่อจะแก้ทุกเพื่อแก้ทุกกันทั้งนั้นอ่ะใครทำอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะก็แก้ทุก น, นะแต่ว่าแก้ไม่ถูกผมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกนะักยิ่งเก่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้มันก็ฆ่าจนตายเรากลุ้มเกินไป เพราะเสียของเสียควมตั้งใจแล้วเสียความประสงค์ไม่สมหวังและสมปรารถนาึงฆ่าจนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขายังเบื้องตน้นแังนั้นผิดหวังไปเรยจนเกิดฆ่าจนตายนี่ถ้าหาติทาง ที่เออถ้าหากว่าดําเนินแนวทางให้บาบัดทุกข์ปิตางนี่ยทุกข์ยิ่งไกว่าทางที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้อบลมฉินธรรมก็เพื่อบําบัดทุกข์อย่างนั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้นต่างเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่ เดือดร้อนในเรื่องทุกถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกข์มสัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสเทศไว้แล้วเทศนาไปแล้วทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้มันมีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไป ทั้งมัดไม่นี้นกก่าจะทุกเกิดขึ้นแ้วดับไปไม่มีอะไรเลยไปหาด้วยเถอะใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีเท่านั้นแหละสุขก็เมาสุขาะหลงแต่แท้ที่จริงเง้นที่คาว่าสุขก็คือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสุขก็คือคือทุกข์นั่นเองคนในชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์ เหมือน ก, นกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยาโรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคกเลยไม่หายทำขั้นสองไปเดยเจ้าเป็นธรรมโอตถสขนาดที่จะรักษาคนป่วยคนไข้ถ้าไปเดยเจ้าเป็นหมอเอง เป็นหมอวิศษยิ่งกว่าหมอในไหนทั้งหมดทั้งโลกท่านจึงแสดงถึงเรื่องฮะโลคยาปรมาราภาความมีโลกถึงราบอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอานามม่ดีไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่ป่วยก็ส่อรัาแทเทีเยบกับคนมันมีโลค ก, ก็ทูกเพือนกันอันโลกส่วนนั้นนันไม่มีแ้ค่อยได้พึุ่ดคุณสบายบ้างเรียกว่าเป็นลาบแต่โลคอะโลคยาปรมาราภาเขาว่าเป็นราบอย่าง ย, งยิ่งไม่ใช่ราบอย่างนั้นอันนั้นเป็นราบธรรมดา คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นลาบธรรมดาไม่ใช่ลาบอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่งการได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาบไม่ได้หมายโรคนนะคือโลกจัดโลกในที่หมายความทั้งเรื่องเชื่อโลกคิดตัวคิดเร่มันกเกาะกินใจของคนให้ป่วยวยตลอดเวลา คนป่วยใจน่ะไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีหรอกนอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลละแล้วคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยตามอาการนอนนี ลุงนั่นแต่งนี่เดี๋ยวไปยึดนี่ยึดนี่ไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลี ย, เ ด, ย, เ ด, ยดเดี๋ยวไปโกรเดี๋ยวไปโลภไปหลงโมเมาห น, นีิอันนั้นแหละเชื่อโลกมันเกาะกินห้อยใจค่อยเศร้าหมอง รูปซีดลงไปห้อยใจไม่เบิกบานห้อยใจไม่เหวีไม่ฟองใสเพราะโลกน่ะคอยกัดคอยกินให้หุบให้แหวี่ยงให้แหวง ใ, ใ, ให้วินไปในผลที่สุดแล้วเลยไม่คร่อมคองใสเลยห้องใจเลยไม่ใจเศร้าหมองเมื่อแตกายภายนอก ผู้มีโลกไปจำตัวสูบซีดพร้อมแห้งแรงน้อยทีวพันไม่ของใส่ห่วใจก็อนกับโลกคือตัวคิเลสดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหากเขาปฏเจ้ทาท่าน ฟังธรรมคำสองพระเดชเจ้าแล้วเอาไปชำระคือยาธรรมโอษฐ์ถ้าไปชำระแก้ไขใจนั่นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระเดชเจ้าท่านบอกรากยาทื่อบอกย า, นากกถนัดแก่พระองค์แสดงถึงหลองขันหาอายตระดา ว่าจะทากสี่ละไปทาตุสี่นสัห้าอยายตนะไปยาเตะและขนานขนานมีเบื้องตน้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนทึอตัวถือเหล่าถือเขาถืออะไรตจะอาใดแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวถืออัจฉรมนะเกิดขึ้น พระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไ, ไม่ใช่อักตาอ น, นิสคือท่าฉี่น้ำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมนรวัตรปณรัตน์ธรรมรัมสีวัสดุมณัตท่านพูดดีดีอวดตนอวดดินพูดอย่างหยาสิเดียวแหละถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวด ถือตนคือถือก้อนดินก้อนดินแต่และก้อนละก้างเขน่าถือตนถือดินอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่อว ด, ดีแก่ตายตัวสบายแก่โลกนั่งโงกงเแก่ยแลเเร่อวาตนลูกตนชื่อปีให้ดียังไงท่านว่ะหน้าฟังหน้าฟังทั้งป็นก็ไม่ถาม กรรมฐานเก่าแก่ผู้ฝ่ายจางกรรมฐานในทำคำสอนปติเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดังไปอีกกุมภูมังกายวิมังวิติตตว่าพราะองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักขึ้งหม้อคือตัวอัตภาพนี้กุมภูว่ามังกายของเราในเหมือนอุปมาเสียบมันกับหม้อคือหมอดินหนึ่ง ธรรมดามอนี่มีเฉพาะหม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปเป็กายเป็นรูปเป็นหม้อมาแล้วเนี่จะต้องแตกในวันทํางานรูปกายนี่ก็ต้องแตกเงินกลับไม่ถึงร้อปีต้องแตกแต่หม้อนั้นมันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อย ม, อ ม, อมันช้ากว่านั้นหน่อ ย, อ น, กก น, น, อยนั่นนี่ว่าคือก้อนดินท่านเจ้า ตัวตนที่ถืออัตมีมานาบาส่วนาวาตถุคือดินทั้งหะแล้วไปถือแต่ไม่ไมดีไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็อัตมีมานาเวทนาก็เกิดจากความดินดังอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมานี้ทุกเกิดสแลดับไปนอกจากทุกเกิดึแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลก ถามว่าทุ ก, เ, ทกเกิดขึ้นแรกจะไปเขทุกเกิดเก้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีหรอกมันเกิดที่คนเกิดถ้าหา ก, กเห็นนั้นยังว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามเป็นจริงวาอันนี้คือก้อนทุกไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกมันก็หายไป ถึงมาตราตร์กดอยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่่เพราะมีสัมผัสอาญานะจิตของเรามีแล้วดอกครองอยู่ในกายนี้มันก็ทอบที่กายนี้เกิดทุกข์มาแล้วก็รู้จั ก, กว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมผัสกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกแล้วเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนาอยาแก่ทุกข์ ขนาดที่สองสัญญาคือการจดจํามันจําดีก็เกินคำว่าสัญญาจําแม่นลก็เกินอารมในใดที่มันนานแสนนานล่วงรับแต่เราเลยไปได้ตั้งยีสิบปีกระชั่งมันมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอะลรไม่ดูอันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วเ็ยียงชั่วน่อย เรียกว่าชัญญาอดิข้อมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกายเขาไปตอนนั้นอีกคือสัญญาในโคตรอ่งนี้มันยิกร้ายตอนนั้นอีกยังไม่ได้เคยพบเคยยังไมไ่เคยเป็นเคยมีเลยมันเป็นชั้นยาไ ป, ญญาปยืดไปก่อนไป้วตอนที่จะเกิดชั้นยาก็คือสังขารในกลุ่มมาก่อนแล้วก็เกิดสัญญาเป็นยืดไปตรงเป็นหลายมั่นจดจำในตรงเรื่องชัญนยาชั้นอุปมาเสียไฟ มารีจรูประมาณชัญญาชั้นยาเรี่ยมมันก็พยายามแดดแดดร้อนๆตะกล้าเราเดินไปในทุง่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบมยันยิ้มยันย้มเขาเข้าไปเึ้นหายแตกเขาเข้าไปถึตัวมหาแตกเห็นในป่าต้นตระหน้านุ่ชั้นยาความจาไม้หมันอนะันนี้เขาคิดเดียว เป็นไมา้เป็นไอ้มึงกับพยายามเด็กจำนี่แล้วก็ไปจำหน่อจำอแล้วนี่ยก็ไปจำหน่อมันไม่เอาเรื่องเอาราวหรอกจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวประทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญาบรรวางล่ะตัวประทานเข้าไปแทนที่ถ้าหาเราตามเข้าไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งน่ะนี่มันจะไปตามมันทำไมตัวประทานเข้าไปยึดต่างหาก อันนี้เราบอกว่าจำนั่นจำนี้่คือตัวประทานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจําแล้วก็หายไปจําโน่าหายไปจํานี่แล้วก็หายไปจําทิศเหนือวางจังนี้ไปจำโน่นถ้าเจอามาเปรียบอีกในหนึ่งสัญญาตัวนี้คล้ายกัน คล้ายกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้น่งมันต้องวาไปจับจิ่งนี้แล้วก่อนเพราะไอ้จิ่งหน้าเพราะจับจิงหน้าได้มาแล้ววางวางมือนี่แล้วก็าเกิดคว้า จ, จิงหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งนี่ไว้แล้วมันก็โหนตัวไปจับจิ่งหน้ามือซ้ายไปจับจิงหน้าเพราะจับจิงหน้าเลยคราวนี้ก่ วางมือซ้ายนี่มือขวาวางมือขวาเนะี่ยมือซ้ายยึดกระด้กับวางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามทิงไว้ต่า ง, างซ้ายสัญญาก็แบบนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนท้าบอลอะไรเป็นต้นเป็นตัวเลยครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ไปยึดอเอาเซียนสัญญาเป็นต้นเปนตัวมาเป็นของเราหรือสัญญาเล ย, ยเสักกว่าสัญญา สังขารก็ะทำนองเดียวกันท่านอุนมาเสียบบต้ตนกลวยไม่มีแจกสังข า, า, ารากรดูปมาอุปมาเจี่ยบมันก็ต้นกลวยต้อกล้ ว, วยในครจะต้หาแจนไม่มีหรอกตอเข้าไปเป็นได้หยวกทั้งหมดเข้าไปล้นสุดัะเป็นเป็นหยวกหมดเลยไม่มีแกกสังขารหาสาระไม่ได้ ไม่ว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเิ็งตัวขงเรานี่ยหาแสนสารใดๆดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัตภาพร่างกายได้แก่ภาพจีนน้ำประดมนั่นเองสังขารจิตพิิงแล้วพระป๋าไปแบกรุ่งนั่นแต่งนี้แล้วก็หาใจวางไปไม่มีสารแสนสารใดเลย คือเกิดจำเยือตลอดขมโดั้วยสถานองค์นี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งสัหรับที่จะกำจัดโลกคือความปลุมความแต่งทำให้ใจกวัดแกว่งสงใส่ไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่ะยิ่งแล้ววิญญาณในที่นี้นะ่หมาย่อนถึงวิญญาณ เกิดของรูปสามอายตนะคัตตาเกิดขึ้นมาแล้วเกิดของรูปเดียวหายไปของรูปผัดเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนี่นกว็วิญญาณในอายตนาจุดส่วรู้สึงครั้งแรกขณะต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขณะจี่ต่อตอไปก็เป็นสัญญาเป็นทั้งขานเป็นวุธนัน ตังแรกเริกมติดตั้งแรกตัวประทานเช่นเข็มปากล้อเนี่ยสมมติเราเก่งเข็มถือเราเนืจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มยาอาชัยยากระสันช่างเถงอะเพราถูกปักทั้งแรงรู้สึกแป๊บเดียวหายไปแล้วนะ่ะความรู้สึกแั้งแรงคือตัวสัญญานี่คือตัววิญญาณครั้นี้มันเจ็บตรงนีน้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นอุปทานนะครับ แล้วอยากให้มันเจ็บหรือวะอยากให้มันหายแรยงต่างมันเป็นตัวตั้งขานได้ขณะนี้เดี๋ยวที่สองอันนั้นต้องเรียนอะพีธรรมแต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามต้งำลาลาแล้วส่งไปไม่เลยเรื่องอีกละเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่พิจิตใจของเราให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่ จิตของเราที่มันเกิดชมรู้สึกเป็นครั้งแรกนั่นนะพอกระทบอารมณ์มาใดขึ้นมาทางอยายุชาใดๆก็ตามึ้นมาให้เห็นตรงนั้นเลยอย่าไปเห็นที่ตำราอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำคำสองพี่เจ้าสอนสอนคำว่าใหม่เรียกว่าสอนทำไม่ใช่สอน สอนให้ทำหรือทำตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสเทศนาไว้ในคำพีต่งางๆมากมายที่โบราณอาจาทโนโ 80, ที่กำหนดแปดหมืนสี่พันธรรมขันธ์ล้วนติดชี้ของเราทของเราแล้วก็พิสูจหมายปลาทางคือสอนเราสำราญมากมาย พูดแปงมากมายหาลงกหลายอาชีพามากมายหลาหยแต่ตรงที่เอาจริงๆอยจางองเอาเดียวนิดเดียวเมื่อนัอนจะคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินมาซองเต่าของสมบัติบ้านช่องจะทําอะไรก็ทำอาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดปลายริบนิดเดียวคือลดโอชา ถ้านั่นก็แล้วกันเนาะถ้าโอชาไม่มีแล้วกม็มีประโยชน์เลยโอชาพือสมุัญงหลายกับ น, นั้นแหละซึ่นซาบสนามไปหล่อเลี้ยงร่างกายในชีวิตที่ต่อไปหมดภาระเท่านั้นจะทำอาหารกินด้วยการใดนก็นตามเถอะมารวมนิดเดียดไม่ได้มากมาย ส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายก็มากมายก็ตามเราได้ศึกษามากมายอะไรก็ตามถ้าหากว่าฟังแล้วไปกาจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะจิตนิวรณ์ใจให้หายไปหมดไปก็เป็นว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระอจอษฐาเทศนา ถ้าฟังไปไม่ได้วยการสะสมฟังไปไม่ได้วยการลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนันสักทีจะเรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาสแสลงโลกคนนั้นอาจจะโรคจะไม่หาบางทีอาจจะถึงกับตายไปคือรักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวนวา เกิดลังเลข้องใสในการปฏิบัติเกิดลังเลข้องใ ส, ใ น, ง ส, ง ใ, สในธรรมคังภีร์เจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคําสองของจิตทั้งสองของปฏิจจ์มีอธิบายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้แล้วพอจะสรุปรวมได้ว่าทำคัมภีร์เจ้าทั้งหมด สอนชี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่ผู้ฝึกผู้ฝึกหัดฝึกผลหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกแล้วผิดประสงค์ของพระุองท่านน้อมรอภ า, ายในฟังแล้วปฏิละใจในใจในใจทงกุนพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นมันถูกต้องตามประสงค์ขอพระง จะฟังยะศึกษาแล้วจะดูตำราตำรายกระก็ต่างนันเป็นัวมุ่งของพระพุทธองค์ที่เล่เป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ล้วนจะเป็นตำรายาแต่ลักษณะตำราที่เจ้าความบัดโลกภายในใจตัวคิด ถ้าหาก็าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่รู้จักแล้วแล้วแต่เราไม่เอามาใช่คือเราไม่กิดโลกก็จะไี้หาแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงว่าคนเรานั่นเป็นโลกมันไม่ชอบอยาเพื่อมัดขว่าฝืนเรื่องเรื่องพิริษพิริษทุงคนมันไม่ชอบจะให้คลมหิน ตามโบราณภาษาบราณทัาเรียกว่ามารเมจิตกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มัหาเรื่องจิตกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระาสระให้หมดจบกะ่นั่นเป็นเหตุมาหมายป็นผลสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหาสุขทั้งที่สุดได้สุขทึ้งที่จริงแล้วนั่นถ้าไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกตวะวระงับสุข ขดับทุกข์ได้ถกทุน้นถ้าไมเห็นเลยละท่านสอนในที่จะงาทุกทุกข์เนของส่วนตนหมดไม่ใช่ว่าละละตรงจิตที่เป็นสมุทั ท, ที่เดินตัวโลกหายชําระโดยหยาาระงับโดยวยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชําระด้วยยาคือธรรมโอสถแล้วโลกหาย เฉยไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้นถ้าเรียกว่าสุขมันก็นยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้เรียกว่าโลภนี่โลภไม่ได้มีทุกข์มีสุขทังเรียกว่านีโลภดังนั้นถ้าหากเราเชื่อทำทั้งสองพระเจ้านำเอาตำรายาที่เราศึกษามาเราได้ยินได้ฟังมาก็าไปใช้คือรับประทานอากาศของโลกเราจะหมดไป นั่นเป็นความเป็นจุดหมายปลายทางใหญ่ยิ่งของพูฏาเจ้าพิเศนาที่อธิบายมาในวันนี้ก็มีในแนวโดยที่อธิบายมานี้